ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องยากแท้อย่างถึงกรรมโดยสมณะซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่ส1มอดมีนาคม2546นณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ นะอันนี้เป็นพระสูตรสูตรหนึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกเรื่มที่21ข้อที่1 3ึ่งุคคลวักนะหรือบุคคลวักนั่นเองเรื่องนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของกรรมใหม่กรรมเก่าซึ่งอาตมาตั้งหัวข้อเองว่าเป็นเรื่องของกรรมใหม่แล้วก็เป็นเรื่องของกรรมเก่าอันนี้พระเจ้านี่ท่านตรัสถึงบุคคลสี่จำพวกนะว่าเนี่ยมีปรากฏใน ในโลกนี้มีคนอยู่สี่จำพวกนี้จำพวกแรกนะผู้เจ้าท่านจัดว่าเป็นบุคคลที่ดํารงชีพด้วยผลของความหมั่นความหมั่นนี่ก็คือความพยันหมั่นเพียรการอะไรอะตั้งใจทำหรือว่าพฤติกรรมในปัจจุบันนะที่กาลังทาอยู่นะอันเนี้ยคำว่าดํารงชีพเราก็รู้แล้วหมายถึงว่ามีชีวิตอยู่เนี่ย มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโดยโดยอาศัยอาศัยอะไรอาศัยความความขยันหมั่นเพียรแต่มันจะมีอยู่สองกรรมนะกรรมแรกจะพูดถึงคือกรรมดีอันนี้พวกเราแยกเองนะจะมีอยู่เป็นสองทิศแม่ทิศหนึ่งมันจะดีกรรมดีเนี่ยนะอีกอันหนึ่งก็ชั่วแต่ อย่างแรกนี่อา ต, ออตอมาจะพูดในเรื่องของกรรมดีก่อนให้เราสังเกตดูนะสังเกตจากตัวอย่างจริงๆของคนเราก็ได้หรื อ, อ, อลองนึกถึงตัวเราเองก็ได้ว่าบางทีบางครั้งเราจะเห็นเลยว่าเราดำรงชีพอยู่ด้วยผลของความหมั่นนหมายถึงว่าปัจจุบันนี้ถ้าสมมติคนนี้อยู่ด้วยความดีอันนี้เป็นผลของปัจจุบันนธรรม จจนนรร ก, กรรมปัจจุบันเนี่ยใครที่เรียกว่าทํากรรมปัจจุบันเนี่ยทำกรรมดีนะทำกรรมดีที่เรียกว่าโอ้โ ห, โหทากรรมดีเนี่ยมากพอทํากรรมดีที่เรียกว่ามีผลได้สูงนะในในในปัจจุบันชาติชาติเนี้นะปรากฏว่าโอ้โหเราพยายามอะไรอ่ะเสียสละเราพยายามถือศีลเราพยายามปฏิบัติธรรม เราพยายามทําทานบารมีอะไรขันติบารมีอะไรก็แล้วแต่ในที่เป็นกุศ ล, ลกรรมเนี่ยเราก็พยายามทําดีทําดีโดยที่ดีเนี่ยมากพอจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะอาศัยกรรมดีในปัจจุบันที่เราทําอยู่เนี่ยอาศัยกรรมอั น, นเนี้ยนะพึ่งพาอาศายัยดํารงชีพนี่หมายถึงว่าชีวิตเราเนี่ย อยู่ได้โดยที่เรียกว่ามีความสุขมีความเจริญหรือว่ามีความสบายเนี่ยเพราะกรรมปัจจุบันที่เราทําดีเนี่ยมากพอถ้าเป็นสํามวนอย่างของพ่อท่านก็คือกรรมดีที่เราทําในปัจจุบันดีเนี่ยมากพอโดยที่ไม่ใช่ดํารงชีพด้วยผลของผลของกรรมอันนี้คําว่าผลของกรรมจริงๆก็คือคืออะไรก็คือวิบากกรรมนั่นเอง นะถ้าถ้าเรียกเต็มๆก็คือวิบากกรรมเราะคำว่าวิบากแปลว่าผลถ้าเขาเขียนแบบเป็นภาษาไทยคำว่าวิบากกรรมก็คือผลของกรรมเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าเราไม่ได้ดำรงชีพอยู่ด้วยวิบากกรรมที่เป็นกรรมในอดีตโดยเฉพาะกรรมในอดีตเนี่ยน่ายิ่งถ้ามันเป็นกรรมกรรมเลวกรรมชั่วที่จะมา เล่นงานเราหรือจะมาทําร้ายเราเนี่ยมันมันน้อยมันอ่อนหรือว่ามันเบาหรือว่ามันยังมาไม่ถึงมันยังมาไม่ทันเพราะวิบากกรรมมันก็มาตามคิวของมันใช่ไหมใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี้ยที่เราดารงอยู่ได้เรามีดีเนี่ยมากกว่าพูดง่ายมีดีมากกว่าไม่ดีในกรรมเก่าหรือในอดีตกรรมก็เลยทาให้ดูแล้วเราก็เอออยู่ดี มีสุขแล้วก็สบายอยู่ได้นะอันนี้ถ้าเราลองนึกถึงตัวเองอมันมันจะยกตัวอย่างของตัวเองแล้วมันจะเห็นชัดเพราะันบางครั้งอ่ะบางช่วงจังหวะของชีวิตเราเราจะเห็นไหมว่าเรารู้สึกว่าเอออะไรอะไรมันก็ดีนะแต่ว่าดีโดยที่เราบากบัน่นเราขยันที่จะทาดีแล้วผลดีเราก็เห็นนะ เห็นผลดีที่เราทำไปจะว่าเออมันทำให้จิตใจเราก็ดีนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราก็ดีเนี่ยเราดารงชีพอยู่ด้วยกรรมสามเราเนี่ยดีหมดเลยเพราะฉะนั้นกรรมปัจจุบันเนี่ยเราดีมากพอจนกระทั่งกรรมเก่าที่ไม่ดีที่จะมาเล่นงานเราหรือจะมาละมาะทำร้ายทําลายเราเนี่ยก็อาจจะช้าหรืออาจจะยัง มาไม่ถึงหรือว่ามีน้อยมีเบาบางในเรื่องนั้นๆก็เลยทําให้เราอยู่สบายอยู่มีความสุขนะลองลองลอ ง, ลองนึกถึงสภาพตัวเองถ้าใครเนี่ยพอนึกออกว่าเออจริงด้วยบางครั้งเรารู้สึกว่าเอออิม่มอกอิ่มใจดีนะบางทีมาวัดหรือว่าอยู่บ้านก็แล้วแต่แต่เราถือศีลปฏิบัติธรรมหรือว่าเราไปสร้างความดีไปทําดีที่ไหนก็ตาม แล้วเราก็รู้สึกว่าออืช่วงนี้นี่เราดีจังเลยรู้สึกไอ้วิบากก ร, รมอะไรก็ไม่ได้กรรมเก่าก็ไม่ได้มาเล่นงานอะไรเรานะเรารู้สึกแม่กาลังสบายอกสบายใจแล้วทําไปก็ก็มีแต่อะไรที่ดีๆแต่ได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรของเรานะคือไม่ใช่ว่าได้มาลอยลยถ้าได้มาลอยๆยนี่คุณของเก่า อันนั้นคือคาเก่าแต่อันนี้ได้มาเพราะฝีมือได้มาเพราะความสามารถของเราจริงๆที่เราเนี่ยขยันบากบานอุตสาหะจึงได้ดีมาเหมือนกับคนที่ไปทำการค้าขายเนี่ยหรือไปทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่โอ้โหต้องดินน้นรนต้องต่อสู้สมมติว่าค้าขายก็ต้องอะไรอ่ไปหาสถานที่ นะโหต้องผลิตหรือว่าต้องไปซื้อเข้ามาเสร็จแล้วต่อแหมต้องมานั่งขายของอสมุดนะสมมุติหรือว่าบางทีก็อะไรอ่ะแหมกว่าจะขายได้ีต้องออะไรคือคือสถานที่เราเนี่ยแม้ว่าทำเลมันจะอาจจะไม่ค่อยดีนักแต่โอ้โหเราก็อ่าขายแบบอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรบริการถึงที่นะจนกระทั่งเรียกว่า ของเราขายดีขึ้นมาได้เพราะความอุตสาหะเพราะความขยันหมั่นเพียรจนกระทั่งแม่สินค้าที่เราไปขายนี่ขายดิบขายดีโอ้เราก็มีความสุขจากการที่ได้ดิบได้ดีแล้วปรากฏว่าไอช่วงที่ขายนั้นก็เทส ก, กิจก็ไม่มา <c oughs> นะหรือว่าไม่มาโดนไล่ที่ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยคือคือกรรมเก่าเนี่ยที่มันจะมาเล่นงานอะไรมันก็ยังพูดง่ายว่ามันอาจจะยังไม่มา หรือว่าบอกแล้วว่ามันน้อยอุปสรรคก็มีนะแต่เราก็สามารถที่จะสู้แล้วก็เอาชนะจนกระทั่งแหมดีขึ้นสบายขึ้นเป็นสุขขึ้นนะพัฒนาขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือกรรมใหม่ที่ดีมากพอนะแล้วกรรมเก่านี่นะมีผลที่อ่อนกว่ามีผลที่ได้กว่าคุณนึกเป็นเรื่องๆก็ได้ คุณอาจจะนึกรวมๆทั้งหมดบางทีมันนึกไม่ออกนึกเป็นเรื่องๆอย่างบางคนเนี่ยบางคนสมอว่าเรื่องเรื่องอาชีพเรื่องการการทำงานบางทีเราจะสังเกตเลยว่าเออตอนนี้นี่เราทำงานโอ้โหขยันทาดีนะแล้วเราก็อะไรตั้งใจทํางานก็แหมเดินได้ดี มีอุปสรรคมีปัญหาเราก็พยายามแก้ไขไปจนกระทั่งงานเราก็ดำเนินไปได้อย่างอย่างสะดวกสบายดีนะแม้ว่าบางทีก็ โ, โหต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องดินน้นรนอย่างเงี้ยนะแต่มันไปได้มันไปได้แล้วไปได้ดีโดยที่เรียกว่าว่าในเรื่องนั้นน่ะสมมติเรื่องการงานเราเนี่ยไอที่อะไรอะ่ะ จะมีใครมาแกล้งจะมีใครมาตำหนิใครมาด่าว่าหรือใครมาอะไรเนี่ยเราก็ผ่านไปได้สามารถที่จะเอาชนะไปได้หรือไออุปสรรคเก่าๆพวกนี้ก็โอ้น้อยลงแล้วแต่ก่อนนี้เราทำงานทีไรถ้าเจอคนนี้นี่คนนี้เล่นงานเราทุกทีเลยแต่คราวนี้ปรากฏว่าโหเพราะความขยันหมั่นเพียรเพราะการเพราะการแก้ไขของเรา เราทําจนกระทั่งเหมือนกับว่าคนอื่นเนี่ยเห็นผลงานคนอื่นเขาก็เลยเออเ อ, อดูมันดูมันดูมันไปโดยที่เรียกว่ายังยังยังไม่มาติยังไม่มาว่าดูที่มันจะทําได้ดีขึ้นไหมแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ทําได้ดีขึ้นจนกระทั่งกรรมเก่าแบบนี้เนี่มันช่วยง่ายว่ามันก็เบาลงคนนั้นเขาก็ไม่มาตําหนิไม่มาเล่นงานอะไรเรานะนี่คือบุคคลประเภทที่หนึ่งนี่พูดแต่ แต่แง่กรรมดีเป็นเป็นตัวนำก่อนนะนี่อันมาพูดขุดแง่เดียวก่อนแง่ของกรรมดีส่วนตัวที่สองคนนี้ดําลงชีพนะด้วยผลของกรรมหรือพูดง่ายๆว่าขึ้นอยู่กับวิบากกรรมละคนนี้ไม่ใช่ดําลงชีพด้วยผลของความหมันหวนจะให้เห็นว่าคราวนี้บุคคลที่สองนี่มันเป็นช่วงจังหวะชีวิตของคนนี้นี่โอ้โหวิบากกรรม มาแรงแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยบอกแล้วอันมาพูดแง่ดีก่อนวิบากอันนี้เป็นวิบากบุญเพราะจะพูดในแง่บวกก่อนเพราะวิบากบุญมาอ่างี้เป็นไงยิ่งโอ้โหมาก้อนโตมาแรงบุญบุญหล่นทับบุญหนักบุญหลายบุญอะไรนะหลวงตาชอบพูดบุญหนักบุญหลายบุญมากนะคือปรากฏว่าโอ้โหปัจุบันนี้ บุญหนักบุญหลายบุญมากพวกนี้หล่นทับแล้วโอ้โหบางทีนี่รู้สึกไม่ได้ไปทำอะไรสักเท่าไหร่เลยนะโอ้โหไอ้นุ่นก็ลอยมาไอ้นีล่ลอยมาบุญนะไม่ใช่ถ้วยชามไม่ใช่แก้วน้าไม่ใช่ขวดพลาสติกนะอันนี้บุญจริงๆโอ้โหจะไปซ้ายจะไปขวาจะไปไหนแมอะไรอะไรก็โอ้โหดีไปหมดเลย นะแทบจะไม่ต้องเดินเลยเขาจะแทบจะอุ้มไปให้เลยนะถึงที่เลยอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือคือวิบากบุญเก่าเราที่ที่เป็นมาถึงละมาทันละแล้วก็พูดง่ายว่ามาสนองตอบกับเราแล้วเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยช่วงนั้นนะ่ยบุคคล น, นั้นก็จะเป็นบุคคลที่นี่แหละวิบากบุญเก่ามามาเสวยละมาได้รับ ไม่ใช่เห็นไหมบอกแล้วไม่ใช่ดํารงชีพด้วยผลของความหมันคือไม่ได้ไปอะไรอ่ะต้องไปเหนื่อยต้องไปอะไรเลยย่อเหมือนกับบางคนอย่างเงี้ยเป็นไงบางทีไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีอาสมมุตินะอ่าโอ้โหแสนจะสุขสบายไม่ได้ไปเกิดเป็นลูกคนขอทานที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้นี่ น, น, น, นีอาศัย วิบากบุญเก่าของคนนั้นที่เรียกว่าเลือกูลคนนั้นนะซึ่งบางทีเรามองที่ตัวเองเราก็จะเห็นเหมือนกันว่าเออใช่นะบางวันนี่แหมยังไม่ทันได้นึกอะไรเลยนะโอ้โหมีคนเขาเอาของกินอร่อยๆมาให้แล้วมันลอยมาแล้วมันลอยมาเองละโอ้โหางทีคนนั่นคนนี้ก็เอานะี่มาให้นะโดยที่บางทีเรา ยังไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปโอ้โหสู้รบปบมือไม่ต้องไปเสียเงือเสียแรงอะไรเลยมันมาของมันละมาเองนะแต่อันนี้เป็นบุญบอกละ ว, วิบากบุญนะนี่นี่คือประเภทที่สองที่ที่ที่เราจะเข้าใจคือจริงๆแล้วนะเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยทำไมพระเจ้าถึงบอกว่าเป็นอจินไตยที่ ไม่สามารถที่จะพูดกันได้ยงง่ายถ้าไม่มียานบัญญาที่ยังรู้จริงนะอาตมาบอกคุณได้เลยคาดการไม่ได้คำนวณไม่ได้เลยว่าคนนี้จะไปยังไงถ้าไม่ไม่มีเขาเรียกว่ายานยานวิเศษเนี่ยที่จะยังรู้จริงว่าคนนี้มีวิบากบุญมีวิบากบาปยังไงนะถ้าไม่มีรู้ กรรมเก่ากรรมใหม่กรรมใหม่นี่คือกรรมปัจจุบันถ้าไม่รู้สองตัวนี้นะแล้วก็ไม่มียานพิเศษที่จะรู้ไปได้ถึงในอดีตไม่มีทางที่จะบอกได้ว่าคนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปบอกไม่ได้ก็นอกจากเดาๆไปเท่านั้นเองผิดมั่งถูกมั่งนายกเว้นอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านจะรู้ในสิ่งเหล่านี้วันถ้าท่านพยากรณ์ไปเนี่ย ไม่มีเป็นอย่างอื่นก็จะเป็นอย่างนั้นท่านสามารถพยากรจนกระทั่งวันที่เท่านี้เวลานี้คนนี้จะไปอย่างนี้จะไปทำอย่างนี้พยากรจนถึงถึงตายเลยก็ได้นะเราก็จะไปตายที่นั้นโอ้โหพยากรได้ถึงขนาดนั้นเลยพูธเจ้าอ่ะนั้นมันมีตัวอย่างมีในพระไตรปิฎกอยู่แต่อันนี้นี่ ยกตัวอย่างพวกนี้ให้พวกเราฟังเพื่อที่อย่างน้อยๆให้พวกเราพอจะรู้พอจะเข้าใจเพราะหลายคนที่ชอบบางทีน้อยใจบ้างหรือว่าบางทีหลงทิศหลงทางบ้างเพราะว่าเหตุการณ์ที่เราไปเจอในชีวิตปกติของเราบางครั้งเราเจอแบบนี้แบบที่หนึ่งแบบบุคคลประเภทที่หนึ่งบางครั้งเรามาเจอแบบบุคคลประเภทที่สองอันเนี้ยมันไม่แน่นอน เพราะว่ามันบอกแล้วมันอยู่ที่จังหวะของหนึ่งคือกรรมปัจจุบันคือกรรมใหม่ของเราเนี่ยคุณทําได้ถึงคุณทําดีได้ถึงมากพอไหมสองอยู่ที่กรรมในอดีตคือวิบากกรรมของเก่าที่เรียกว่ามันแรงพอไหมแล้วมันมันมาทันแล้วหรื อ, อยังเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้คุณคํานวณไม่ได้เลยแต่ถ้าเรารู้นะ คุณจะไม่มัวมาเศร้าโศกไม่มามัวเสียใจนะอย่างเช่นตอนที่คุณสุขสบายอย่างประเภทที่หนึ่งที่ตะกี้อธิบายไปแล้วโอ้โหคุณรู้แหละคุณจะได้ดิบได้ดีเนี่ยโอ้ทําไมเหนื่อยจังหรืออย่างพ่อบอกว่าพ่อพ่ อ, พอท่านเป็นเหมือนอะไรโพธิศาสแบบเออหมากลางตลาดอะไรเงี้ยผู้ที่ ร, รู้รู้เรื่องอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่สงสายหรอกว่าเออถ้าจะอย่างนี้นี่มันต้องภาคเพียน มันต้องทําแล้วถึงจะได้อถ้าจะรู้ของท่านจะมาซึ่งจริงๆเราเองเราก็ควรจะต้องรู้อย่างนั้นเพราะฉนั้นบางอย่างนี่โอ้โหเราเห็นคนอื่นเขาได้ดิบได้ดีเราเองอยากอยากจะให้ได้มันง่ายๆอย่าหวังเลยคุณเพราะกว่าจะได้มาจริงๆแล้วต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องทํามาเพียงแต่ว่าเขาทํามาอาจจะทําตั้งแต่ชาติโนนมาแล้วอ่ะพ้อนชาตินี้เขาก็ได้อะ่ะอย่างเงี้ย แต่ไอเรื่องนี้บางทีเราไม่ทําเราไม่ได้ทํามายกตัวอย่างนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยบรรลุธรรมจนกระทั่งเป็นพระอารหันต์เป็นพระอารหันต์เลยนะแต่พระอารหันต์เนี่ยมีพระอารหรันต์ที่โอ้โหได้ราบได้อะไรต่างๆคนมาถวายข้าวของอะไรเยอะแยะใช่ไหมหรือว่าเคารพสักการะแต่พระอารหันต์บางรูปอาจจะไม่ได้สิ่งเหล่านี้เลยนะน้อยมากอย่างนี้ ก็นี่นีเนี่ยก็รูปหนึ่งท่านทํามาท่านเสียสละท่านทานวัตถุท่านก็ทําของท่านมาใช่ไหมโอ้โหเอื้อเฟื้อคนอื่นเขานะมีทรัพย์สินเงินทองมีอะไรหมายถึงปฏิบัติมานานแล้วเนี่ยท่านก็ให้คนอื่นเขานะช่วยเหลือคนอื่นเขาอย่างเงี้ยแต่อาหารอีกรูปหนึงสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยได้ทามาวันแม้ว่าท่านมาบรรลุปเป็นพระอรหันต์แล้วสิ่งเหล่านี้ท่านก็ไม่ได้ เพราะมันเป็นไปตามกรรมไม่มีว่าพอเป็นพระอาหารแล้วทุกรูปถ้าถ้าจะได้ลาบยศเสรเสริญสนุกอะไรพวกนี้จะได้เหมือนกันหมดไม่อ่ะคุณสิ่งที่จะได้มาตามกรรมใครทํำยังไงผู้นั้นจะได้ตามนั้นต่อให้เป็นพระอาหารก็ต้องได้ตามนั้นอันนี้นี่ไม่ใช่บอกว่าโอ้ถ้าเป็นพระอาหารแล้วนะอะไรอะไต้องได้หมด ลาบยศเสรรส่วนสุขอะไรต่างๆที่ที่ที่เป็นแบบโลกีเนี่ยนะที่เป็นวัตถุเป็นข้าวของไปอะไรต่างๆต้องได้เหมือนกันหมดไม่เหมือนกันแนะอันนี้ที่ผู้เจ้าจะตัดไว้เยอะแยะเลยถึงความแตกต่างที่ว่าได้ไม่เหมือนกันแล้วแต่บุคคล น, นั้นนะเพราะนั้น น, นี่นี่พูดในแง่วัตถุแง่ข้าวของแง่อะไรต่างๆแต่ถ้าเรื่องจิตใจว่าพระอรหันต์ท่านหมดกิเลสแล้ว ท่านก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรมีคนเอามาให้ใช่ไหมหรือไม่มีมาให้ท่านไม่เดือดร้อนนี <c oughs> ่แต่ต่างกันแน่แหละคนหนึ่งได้มากอีกคนหนึ่งได้น้อยต่างกันแน่แต่ทั้งสองคนนี้ที่เหมือนกันคือไม่เดือดร้อนมีมาให้มากก็ไม่เดือดร้อนมีมาให้น้อยก็ไม่เดือดร้อนเพียงแต่พระเจ้าท่านก็เตือนไว้ต่อให้เป็นพระลาหนก็เหอลาบยศสรเสริอะไรพวกนี้นี่ เป็นอันตรายได้นะต้องระวังนั่นเป็นคำเตือนที่พระพุทธเจ้าท่านจะเตือนไว้นะอันนี้สองประเภทแล้วนะปรับสมองให้ดีๆเพราะว่าตอนนี้กาลังพูดพูดได้แง่แง่ดีอันนี้เราลองดูประเภทที่สมนะเป็นบุคคลที่ดำรงชีพด้วยผลของความหมันทั้งดำรงชีพด้วยผลของกรรม โอโหขยันทําดีพยายามตั้งใจทําดีแล้วก็ทําจริงๆทําได้ผลเสร็จแล้วอะไรอัตมาบอกแล้วกรรมเก่าเป็นไงวิบากกรรมวิบากกรรมดีก็มาด้วยโอโหหนุนใหญ่เลยคนนี้หนุนใหญ่เลยเพราะบางคนนี่สังเกตไหมมาวัดหรือมาถือศีลหรืออยู่บ้านก็ได้เอานะเรา โ, โหเกิด แมเกิดได้ฟังเทศฟังธรรมหรือเกิดได้ไม่รู้แหละมันมันมันรู้สึกว่าอยากจะทําดีอ่ะอยากจะทําบุญอย่างเงี้ยปรากฏว่าคุณก็ลงมือเลยเอาคิดว่าแม่จะทํามหาทานซะหน่อยนะเตรียมเลยเตรียมข้าวของเตรียมอะไรเสร็จเตรียมข้าวของเสร็จจะโอ้โหคนอื่นเขาก็มาช่วยเราด้วยนะเราสมมุติว่าจะทํามหาทานจะทําทานยิ่งใหญ่โอ้โหคนอื่นเขาก็เอา้า รู้เขาเห็นหรือว่าเอา้านี่จะทําอะไรโอ้โหเขาก็มาร่วมกับเรานี่แหมหนุนใหญ่เลยหนุนให้เรายิ่งอหเราก็ได้ทําดีด้วยนะเสร็จแล้วในขณะที่เราทําดีเนี่นะโอ้โหกองเก่าก็มาหนุนเราขึ้นมาอีกทําให้เรานี่ยิ่งทําดีมากเลยโดยเฉพาะครนี้ทําดีในเรื่องของกายกรรมเรื่องของวัชยกรรมเรื่องของมโนกรรมปรากฏว่าเราพยายามนะยิ่งบางคนเนี่ยโอ้โหมา อยู่วัดได้มาถือศีลได้มาปฏิบัติธรรมได้เสร็จแล้วยังไงในขณะที่เราทำดีนี่โอ้โหเจอมิดดีสายดีมีแต่คนแนะนำอะไรดีๆมีแต่คนที่จะแบบว่าโหเกื้อกูลเราที่จะทำให้เราเนี่ยยิ่งเข้าใจธรรมะหรือยิ่งปฏิบัติธรรมได้สูงขึ้นส่วนใหญ่นะลักษณะเนี้ยถ้าพูดถึงเรื่องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ย มักจะเข้าขายอาริยบุคคลลักษณะช่วงเนี้ถ้าสมมุติว่านี่เป็นคนคนเดียวกันหมดสมมุตินะถ้านี่เป็นคนคนเดียวกันหมดเนี่ยลักษณะที่สามนี่จะเป็นลักษณะที่เข้าขายอาริยบุคคลละคือพูดง่ายว่าทั้งกรรมใหม่เห็นไหมกรรมใหม่เนี่ยเราก็ทําดีกรรมเก่าเราโอ้โหดีก็หนุเนเรื่องมา เพราะนั้นดับเบิลดีเลยตอนนี้ดี2 A ไม่ใช่ดี2บนะ <c oughs> D ี2เเลยลนะ่ะเรียกว่าโอ้โหกำลังสองเลยแล้วคุณสังเกตดูนะถ้าถ้าเราอยู่ในสภาวะช่วงนี้นะโอ้โหช่วงช่วงชีวิตช่วงนั้นทำอะไรมันดีไปหมดเลยมีทั้งคนเกื้อกูลมีทั้งคนช่วยเหลือทำอะไรก็แหมตั้งตะบะถือศีลอะไรก็แหมได้ ถูกถูกถูกหมายถึงว่าสอบผ่านสอบผ่านตั้งตะบาก็โอ้โหสอบผ่านสอบผ่านถ้าได้เป็นเกรดก็โอ้โหเกรดสี่เกรดสีอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันทําแล้วมันออืทั้งสําเร็จทั้งอะไรมันดีดีขึ้นดีขึ้นเจริญขึ้นโอ้โหแล้วเรานี่มีแต่สภาวะจิตที่มันดีดีทั้งนั้นเลยพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยไอ้กรรมเลวกรรมชั่วกรรมเก่าอะไรก็แหมยังไม่ค่อยมาซะด้วยนะ เออมันมีแต่ดีๆเข้ามาเข้ามาเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงสภาวะที่โอ้โหดีมากๆแม้ว่ายังไม่ต้องถึงเป็นพระอรหันต์ก็ตามเนี่ยแหละแค่บางทีคุณมาวัดใหม่ๆกูอยู่ในสภาวะที่โอ้โหจิตใจก็ดีแหมแล้วมันมีพลังมันมีไฟพร้อมเลยนะพร้อมที่จะทําอะไรดีๆเขาเรียกไปล้างถ้วยชามก็ไปล้างงอกงอกงอ ก, งอกไม่ถือสาไม่โกรธไม่รู้สึกว่าโอ้นี่ เขามาใช้เราโอ้ไม่เลยคิดดีๆทั้งนั้นเลยนะโอ้โหดีดี ด, ด, ดีบุญหล่นทับนะหรือบางทีเขามาติเอาเขามาว่าเอาเนี่ยโอ้โหนี่เขาที้ขุมทรัพย์ให้กับเรา <c oughs> เขาคิดแบบแม่อิ่ม อ, อกอิ่มใจเที่ยวไปปรนนา่อใครต่อใค ร, ใครว่าถ้าทำผิดพลาดอะไรเรียนได้นะบอกได้นะจิตใจนี่โอ้โหดีตลอด ทั้งๆ ท, ท, ที่แบบว่าืลำบากนะนะต้องอดทนเหมือนกันต้องต่อสู้ต้องอฟันฝ่าอุปสรรคโดยเฉพาะกิเลสเราเองเนี่ยเราก็อดทนต่อสู้นะแต่จิต ด, ดีจิต ด, ดีเนี่ยถึงบอกว่ากรรมใหม่ก็ดีกรรมเก่าก็ดีนะนี่อยู่ในสภาวะช่วงนี้จนกระทั่งถ้ามาถึงระดับที่สี่ดำรงชีพด้วยผลของความหมัน ก็ไม่ใช่ดํารงชีพด้วยผลของกรรมก็ไม่ใช่งงไหมเฮงงงไหมเนี่ยอันนี้คืออะไรฮึ <c oughs> ให้พวกคุณช่วยคิดบ้างสิเฮะอันนี้คืออะไรเออเพราะว่าตอนนี้เราพูดในแง่ดีอยู่จะให้เห็นเลยสภาวะอย่างยีนะพูดง่ายดํารงชีพด้วยความหมันคือคือกรรมปัจจุบันเนี่ย คุณทำจบแล้วคุณทําจบแล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นแล้วคราวนี้ของใหม่อะไรยังไงนี่ไม่จําเป็นแล้วถ้าคุณทำตัวง่ายคุณสอบจบแล้วได้ปริญญาแล้วไม่ต้องเรียนต่ออีกก็ได้พอจบแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นใดๆละถึงบอกว่าเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะไม่จําเป็นเนี่เพราะว่าถ้าถึงขั้น พระอาหารเรียนจบหลักสูตรแล้วอะไรอะไรคราวนี้ไม่ไม่สามารถมาอะไรได้ล้วจริงวิบากกรรมกรรมเก่ายังจะตามมาเล่นงานก็ได้แต่ถึงจะมาเล่นงานยังไงท่านก็ก็ใช้ไปตามที่มาแต่จิตใจเป็นไงจิตใจไม่มีผลอะไรล้วถึงบอกว่าท่านไม่เดือดร้อนท่านไม่ทุกข์ท่านไม่อะไรต่อให้หนักหนาะสาหัสสาการกรรมเก่ามายังไง ที่บอกว่าเหมือนอดีตชาติของพระโมคคัลลานะนะที่โดนโจรผู้ร้ายจะมาทุบตีจะมาฆ่าให้ตายตามเนื้อเรื่องเนี่ยโหทุบตีจนกระดูกแหลกเหลวเลยนะฆ่าเนี่ยฆ่าอย่างไม่ใช่เบาๆอะ่ะฆ่าอย่างทารุณทีเดียวไม่ใช่เอามีดมาฟันไม่ใช่อะไรนะใช้ไม้ทุบตีเนี่ยจนกระทั่งกระดูกแหลก นะจึงจะถึงแก่ความตายนะซึ่งซึ่งตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็บอกพระโมคคัลลนะก็เป็นผู้ยอดเยี่ยมเก่งในทางฤทธิ์ใช่ไหมสามารถที่จะป้องกันตัวเองก็ได้สามารถจะชุบชีวิตตัวเองให้ฟื้นก็ได้โดยที่เรียกว่าโจรฆ่าไม่ตายแต่ปรากฏว่าพอท่านพิจารณาดูท่านก็รู้ว่าโอ้โหกรรมเก่าเป็นอนันตริยกรรมเป็นบาปหนักที่เคยไป ทำร้ายทำพ่อแม่ถึงแก่ความตายมาเนี่ยโอ้โหก็ติดมาเพราะนั้นแล้วก็พอดีในชาตินั้นท่านองชัยอะ่ะเพราะไม่ใช้ชาตินั้นแล้วก็อาจจะไม่มีสิทธิใช้อะเพราะอะไรถ้าไม่ใช้ในชาตินั้นเ อ, อถ้าท่านเกิดปณิธีนผ่านไปเนี่ยท่านจบก็กรรมนั้นก็ไม่มีผลอะไรแล้วคือคือจะกรรมหนักอะไรแค่ไหนก็ตามถ้าท่านปรินิพานไปแล้วนี่ ตามไม่ได้แล้วตามตัวท่านไม่เจอเพราะท่านไม่มีตัวให้ตามคือท่านไม่เกิดอีกนั่นเองไม่มีตัวให้ตามเพราะฉะนั้นตามอะไรไม่ได้เพราะอั น, นเนี้ยเนี่ยนะคือคือพูดง่ายๆว่าทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่จบไม่มาม่ไม่มามีผลอะไรและ ท, ทั้งทั้งที่จริงๆกรรมเก่ายัางตามเล่นงานอยู่แต่ไม่มีผลอะไรแล้วนี่ต่อท่านนะี่ยและถ้าท่านปรินิพานด้วยกรรมเก่ายิ่งหมดสิทธ ตามเลยวันถึงถึงได้บอกว่าดำรงชีพด้วยผ ล, ลกรรมก็ไม่ใช่ทั้งทั้งที่ในสภาพความเป็นจริงเ่ยถ้ายังมีชีวิตอยู่หมาไล่เนื้อคือกรรมเก่าที่ที่เป็นวิบากกรรมที่วิบากบาปก็ตามเล่นงานตลอดต่อให้เป็นผู้พุทธเจ้าเห็นไหมต่อให้เป็นพระพุทธเจ้าวิบากบาปก็ตามเล่นงานพระเจ้าก็ยังต้องใช่นี่ต้องใช่นี่แต่ ที่ฉันใช้ไปนี่คือเว่ง่ายว่าไม่ทุกไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรใช้ก็ใช้ไปถึงได้ใช้คำว่าก็ไม่ใช่คือถ้าไม่เดือดร้อนอะไรแล้ว